บุกทูเก้าสิบห้า now that g e e n คำสันธานสอง c o น j u n c t i v เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร thekiam chinepularus ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ ชุดสียเอ ด, ดจอใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงาน Yes she never labors b e a s e h e i e n g g e ตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลย b e s h e i e n g g e she never labors ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน พวกเขามีความสุขเดเคียมอิลิโคอนัสอูนูลาลียันอิลิเอสตาสเฟลิเชยตั้งแต่พวกเขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลยเดเคียมอิลิฮาวาสเกฟิลอยอิลิมาโลฟเตเอลิรัสเธอโทรศัพท์มาตอนไหนเดคียมใช้เทลศันัส ขณะขับรถหรือชุุมลาสติราดใช่ขณะที่เธอขับรถ <S Yes ร s t e r a n t e เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ She t e l e p o n e s t r a n t e เธ อ, อดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้ดดา She t e l e v i s gladante เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงานดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่นดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไป มีคอมเพลเนอ์ในนิอนที่ทำนำรูดีค c o n t r a l ดิฉันไม่ได้กลิน่นตอนที่ดิฉันเป็นหวดัดมีฟลาเราสในนิอนทีม่มีมัลวารมูมสัสเราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตกมีเพลนสแท็กซี่นเซฟูสเราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่ Voy mondo, ถ้าอีกเดียวเขายังไม่มาเราจะเริ่มทานข้าวนากรุณาไปที่ www. b o o k 2 w de สำหรับหนังสือและดาวโหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด